5. จีวรธานะสิกขาบท 78. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ให้จีวรแก่พิกษุนีผู้ไม่ใช่ญาติณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารพภิกษุรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งได้ให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติในจีวรธานสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน6สมุดฐาน